เจ้าชายแสนสุขวันหนึ่งบนสวรรค์พระเจ้าพบว่าคนใช้ของท่านทั้งสองคนเอาแต่ยืนเฉยเฉไม่ทําอะไรพวกเขาดูไม่มีความสุขนี่ในสวรรค์นี่พวกเจ้าจะไม่มีความสุขไม่ได้พวกเจ้าเศร้าเพราะอะไรบอกข้า ม, มาคือว่าพวกเราไม่มีงานทํา ใช่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรก็เลยไม่มีความสุขโอเคงั้นเจ้าบินไปที่โลกไปดูว่าที่โลกมีอะไรที่ดีที่สุดสองอย่างแล้วเอามาให้ข้าหลังจากนั้นบ่าวของพระเจ้าก็บินไปที่โลกรูปบ้านที่ถูกตั้งกลางเมืองรูปบ้านนั้นเต็มไปด้วยทองตาประดับด้วยไพเรลสีฟ้าและเข็มขัดของเขามีพลอยเลอค่า เขาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าทำยังไงถึงจะมีความสุขทุกคนเรียกเขาว่าเจ้าชายแสนสุข <c oughs> โออลูกแม่ร้องไห้ทำไมจ๊ะ <c oughs> ลูกต้องมีความสุขเหมือนเจ้าชายแสนสุขนะ <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> เกิดฤดูหนาวมีนกดางแอ่นตัวหนึ่งที่กำลังหาที่พักในตอนกลางคืน <c oughs> เขาบินไปใกล้ที่รู้วบ้านและคิดว่า ฉันอยู่ใต้เท้าของรูปปั้นได้นะจะได้ไหม่หนาวนกหลบพักอยู่ที่นั่นใต้รูปปั้นระหว่างขาหลังจากนั้นก็มีหยดน้ำหล่นลงใส่ตัวนกนกมองไปที่ฟ้าแต่ฟ้ากลับใส่มากแล้วหยดน้ำมันมาจากไหนนะฝนก็ไม่ได้ตกน้ำหยดที่สองก็หยดลงมานกแปลกใจมาก เขาตัดสินใจที่จะหาที่พักที่อื่นเขาเลยออกไปและลองมองไปที่รูปปั้นเขาตกใจมากเพราะว่ารูปปั้นกำลังร้องไห้ฮีย hey, นายร้องไห้ทำไมนายเป็นเจ้าชายแสนสุขนะไม่ไม่อีกแล้วลระทำไมอะเกิดอะไรขึ้นตอนที่ข้ามีชีวิตนะ่ะข้ามีความสุขมากข้าอยู่ในวังแล้วก็ไม่เคยออกมาข้างนอก <c oughs> ข้าเคยเล่นในสูตรของข้าตอนกลางวันเต้นรำในตอนกลางคืนข้าเหมือนมนุษย์คนอื่นและข้าก็มีหัวใจเหมือนกับพวกเจ้าข้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่วังไม่เคยรู้ว่านอกวางจะเป็นยังไงและข้าพอใจกับโลกเล็กๆของข้าทุกคนก็เลยเรียกข้าว่าเจ้าชายแสนสุขแต่ตอนนี้ข้าตายแล้วพวกเขาเอาข้ามาอยู่ที่นี่กลางมืองข้าเห็นอีกฝั่งของเหรียญ ข้าเห็นผู้คนทรมานถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าจะมีหัวใจที่ทำจากเหล็กแต่ข้าก็รู้สึกถึงความเศร้าของพวกเขาข้าก็เลยร้องไห้โอ้เจ้าร้องไห้ทำไมอีกข้ามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากเมืองนี้เธอยากจนมากจนเลี้ยงลูกไม่ได้เธอเย็บชุดให้หนึ่งในสาวใช้ของราชินีเพื่อการเต้นรำในวงังลูกของเธอกำลังร้องไห้เพ<อ>ราะหิว<อ>และก็ป่วยอยู่ แ, wow. แต่เธอไม่สามารถป้อนอาหารได้เธอให้เขาได้ด <infinity> ื <Conse leen> ่มแต่น้ำจากแม่น้ำโอ้น่าสงสารเนะเจ้าเอาพลอยแดงของข้าไปให้นางได้ไหมนากำลังลำบากแต่ข้าจะต้องบินไปอียิปต์นะเพื่อนข้าอพยพไปที่นั่นแล้วที่นี่น่านหนาวแล้วที่อียิปต์จะอุ่นกว่าข้าขอ้อกช่วยข้าหน่อยเถอะนะเอ้ยโอเคคืนนี้ข้าอยู่กับเจ้าได้ ข้าจะไปหาแมา่หญิงนั่นตอนพรุ่งนี้เช้าขอบคุณมากตอนเช้านกก็เอาพลอยสีแดงของเจ้าชายบินไปที่ที่เจ้าชายบอกเขาบินไปเหนือเมืองและบินข้ามวังไปเขาเห็นสาวๆเต้นรำและมีสาวสวยยืนอยู่ที่หน้าตา่ง ฉันอยากจะได้ชุดของฉันในอีกสองวันนี้แล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นเย็บชุดนานจังนะนกบินเหนือข้ามเมืองไปข้ามแม่น้ำไปถึงใกล้หมู่บ้านเขาเห็นหญิงคนนั้นนอนในบ้านเล็กๆ เ, เขาเอาพลอยไปวางบนโต๊ะของหญิงคนนั้นแล้วเขาก็บินไปที่เตียงของลูกของเธอด้วยอากาศที่มาจากปีกของนกเด็กคนนั้นก็เลยหลับไป นกบินกลับไปหาเจ้าชายระหว่างทางกลับเขาแวะไปที่แม่น้ำเพราะว่าหิวกระหายมากตอนนกดื่มน้ำจากแม่น้ำมีชายคนหนึ่งเห็นเขาและคิดว่าโอนกยังอยู่ที่นี่ไม่โอพยยไปที่อุน่นเขากำลังสู้กับสภาพอากาศที่ไม่เหมาะกับเขาฉันน่าจะเรียนรู้จากเขาบ้างถึงฉันเองกำลังหิว ตก็ต้องรีบเขียนเรื่องราวให้จบนกกลับไปหาเจ้าชายนักเขียนก็กลับบ้านเขาด้วยเรื่องเล่าในหัวแปลกนะข้ารู้สึกอุ่นถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวเป็นความอุ่นจากความดีที่เจ้าทำใช่เจ้าพูดถูกข้าจะไปอียิปต์รุ่งนี้อย่าไปเลยข้าขอร้อง เจ้าต้องช่วยข้าอีกครั้งหนึ่งไช น, นะอะไรอีกล่ะห่างไปจากเมืองนี้ข้าเห็นนักเขียนคนหนึ่งที่กําลังเขียนเรื่องเล่าของเขาแต่เขาเขียนไม่จบเพราะว่าเขากําลังหิวมากและไม่มีไฟในห้องเขาด้วยเขาอยู่ในห้องเล็กๆบนชั้นบนของบ้านจะให้ข้าทําอะไรอช่วยเอาตาข้าข้างหนึ่งไปให้เขาหน่อยเถอะตาเจ้าเหรอ ข้าทําไม่ได้ทําเถอะนะมันเป็นหินที่มีค่าสีฟ้าจากอินเดียมันจะทําให้ชายคนนั้นมีชีวิตที่ดีโอ้ได้ข้าจะอยู่กับเจ้าคืนนี้พรุ่งนี้ข้าจะไปหาเขาให้แล้วกันเช้าวันถัดไปนงเอาตาของเจ้าชายบินไปที่บ้านของนักเขียนเขาเจอบ้านได้อย่างง่ายดายและเข้าไปโดยผ่านรูที่หลังคาตอนนั้นนักเขียนกําลังนอนอยู่บนโต๊ะ นกเอาหินสีฟ้าวางบนโต๊ะแล้วบินหนีไปนักเขียนมองมาที่หินสีฟ้าโอ้นี่ของขวัญจากผู้อ่านของข้าหรือนี่ขอบคุณมากนะเพื่อนอีรน้านักเขียนดีใจมากที่ได้หินสีฟ้าที่มีค่าเมื่อพระจันทร์ขึ้นนกก็กลับไปหาเจ้าชายข้ามาบอกลาแล้วนะข้าจะไปอียิบพรุ่งนี้เช้า เจ้าอยู่กับข้าอีกสักคืนหนึ่งได้ไหมไม่เอาหน้าเดี๋ยวจะถึงหน้าหนาวแล้วที่อียิปจะอบอุ่นกว่ามากข้าจะต้องไปที่นั่นให้เร็วที่สุดได้โปรดหยุดก่อนเพื่อชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่งชีวิตเด็กหญิงเหรอที่จะตัร้านนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอกำลังขายไขย่ <c oughs> แล้วมันก็ตกลงพื้นแตกไปแล้วต <c oughs> อนนี้จะไม่มีเงินกลับบ้านเลย พ่อของเธอจะต้องตีเธอแน่ถ้าไม่ได้เงินกลับบ้านจะให้ข้าช่วยยังไงช่วยเอาตาอีกข้างของข้าไปให้เธอพ่อของเธอจะได้เงินเยอะแยะเขาจะได้ไม่ต้องบังคับให้ลูกขายไข่อีกเธอจะได้ไปเข้าเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆยังไงล่ะไม่นะไม่ข้าจะอยู่กับเจ้าข้าเอาตาเจ้าไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจ้ามองไม่เห็นด้วยข้าเถอะนะ อ, อนกเศร้ามากที่จะต้องเอาตาอีกข้างของเจ้าชายออกไปเขาเอาเพชรนั้นไปให้เด็กหญิงส่งลงที่มือของเธอเด็กหญิงดีใจมากที่ได้เห็นเพชรอ้ามันเป็นแพชที่สวยมากเลยเธอวิ่งกลับบ้านนกบินกลับไปหาเจ้าชายเขารู้สึกแย่แทนเจ้าชายมาก เพราะเจ้าชายไม่มีตาแล้วเจ้าเป็นคนดีมากข้าจะไม่ไปอียิปต์แล้วไม่เจ้าไปอียิปต์เธอเจ้าคงจะอยู่ไม่ได้ในหน้าหนาวของที่นี่แน่ไม่ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าและนกก็อยู่ที่นั่นเขาเล่าเรื่องให้เจ้าชายฟังทำให้เขามีความสุขเจ้าชายดีใจมากที่ได้ยินเรื่องลาเพื่อนข้า บินเหนือเมืองแล้วบอกหนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนกบินเหนือเมืองและบอกเจ้าชายว่าเขาเห็นอะไรมาบ้างนกบินกลับไปหาเจ้าชายผู้คนกําลังมีความสุขกินดื่มในบ้านแต่คนจนก็ยังหิวอาหารและหาที่สุขหัวนอนข้าเห็นเด็กเล็กหลายคนทรมานในหน้าหนาวพวกเขาอยู่ใต้สะพานแต่ยามของที่นั่น ก็ไม่ยอมให้พวกเขานอนที่นั่นเลยตัวข้าแต่งไปด้วยทองเอาทองไปแจกให้คนจนพวกเขาจะได้ไม่ทรมานช่วยข้าหน่อยเถอะนะนกเอาทองจากร่างของเจ้าชายไปอย่างช้าๆทีละชิ้นและเขาก็เศร้ามากเขาเอามันไปแจกให้คนที่ต้องการพวกเขาดีใจมากที่ได้ทองฉันจะได้กินขนมปัง ฉันจะได้กินขนมปังโอ้ฉันจะได้กินขนมปังฉันจะได้กินขนมปังแล้วหลังจากนั้นหิมะก็ตกทั้งเมืองเต็มไปด้วยหิมะนกอยู่ไม่รอดในอากาศหนาวแบบนั้นเขาตายลงในค่ำคืนหนึ่งเมื่อเจ้าชายรู้เรื่องนี้ตอนเช้าถัดไปก็มีบางอย่างที่แตกจากข้างในงมันคือหัวใจเหล็กของเขาที่แตก เมื่อผู้คนเห็นศพนกตายที่เท้าของเจ้าชายพวกเขาก็มีการร้องเรียนมีเจ้าหน้าที่มาหาเจ้าชายเจ้าชายดูน่าเกลียดนะใช่ตอนนี้เหมือนขอทานมากกว่าเจ้าชายอ่ะมีนกตายที่เท้าด้วยโนใครจะทําความสะอาดเนี่ยฉันว่าเราเอารูปปั้นนี้ออกไปจากที่นี่แล้วรูปปั้นใหม่มาดีกว่านะ่า พวกเขาเอารูปปั้นไปเผาแต่หัวใจที่แตกของรูปปั้นไม่ละลายพวกเขาเลยเอามันไปทิ้งหลังจากนั้นหลายวันบ่าวของพระเจ้ากลับไปสวรรค์ด้วยของสองอย่างและเสนอให้กับพระเจ้าเจ้ามีอะไรมาให้ข้าพวกมันคือศพนกกับหัวใจเหล็กแตกสลาย พระเจ้าถามว่าของพวกนั้นดีตรงไหนพวกเขาบอกพระเจ้าว่าหัวใจเป็นของรูปปั้นเจ้าชายแสนสุขเจ้าทำได้ดีมากสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้าจะเก็บพวกมานวดในสวนของข้านกนั้นจะร้องเพลงได้เพราะพริ้งและเจ้าชายจะอยู่ในเมืองทองของข้า